เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทอารคนชอบเล่าวันนี้หมวดของตำนานธรรมะศักดิ์สิทธิ์ผมอยากจะขอกล่าวถึงหลวงพ่อดาบทสุ ม, มโนอาสมภัยมรกฏจังหวัดเชียงรายเราลองมาฟังประวัติคร่าวๆของท่านกันดูนะครับ เมื่อน า, นานมาแล้วที่พุทธศาวชนิกชนคนไทยจะเคยได้ยินคําร่ําลือถึงพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งปัจจุบันท่านละสังขารไปแล้วผู้ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่งดงามเป็นผู้บําเพ็ญเพียรอันเจริญด้วยศีรษจารวัดอันบริสุทธิ์ท่านเป็นประทีปแผงธรรมของคนทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะกับชาวจังหวัดเชียงรายเสียงเล่าลือนั้นกล่าวถึงชาติภูมิที่แท้จริงของท่านในความเป็นจริงแล้วหลวงพ่อดาบทสุม โ, มโนนั้น ก็เป็นเพียงภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งที่เราเชื่อกันว่าท่านบรรลุธรรมะขั้นสูงสำเร็จเป็นอรหรอันตกรูปหนึ่งประวัติของหลวงพ่อดาบทนั้นชาติภูมิที่แท้จริงของท่านมีอยู่ว่าเดิมท่านชื่อสง่านามสกุลเจริญจิตเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2467ปีชวดเกิดที่ตำบลบางกระชยัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเป็นลูกคนที่6ในจานวนทั้งหมด8คน บิดาชื่อในเถียนมันดาชื่อนางเวียงต่อมาในปี2474ขณะนั้นอายุได้7ปีมันดาก็ถึงแก่กรรมและต่อมาในปี2478อายุได้11ปีก็ต้องสูญเสียบิดาไปอีกคนท่านจึงอยู่ภายใต้การดูแลของป้าครั้นเมื่อปีพุทธศักราช2485ป้าจึงได้นำท่านไปบรรพชาที่วัดจันทนารามจังหวัดจันทบุรีเพื่อเรียนปริยจิธรรม ต่อมาท่านก็สามารถสอบได้ทั้งนักธรรมตรีและนักธรมโทในปีพุทธศักราช2490ด้วยจิตที่มุ่งมั่นจะปฏิบัติสแสวงหาธรรมะจึงออกเดินที่ดงไปยังจังหวัดเชียงใหม่ตามเส้นทางอำเภอดอยสะเก็ดสู่ถ้ำเชียงดาวอำเภอเชียงดาวท่านได้ทุดงพลัดเข้าสู่พื้นที่เขตของอำเภอพร้าวในปีพุทธศักราช 2490- ถึง สิงพำนักและปฏิบัติธรรมในป่าช้าของตำบลเวียง อ, อําเภอพร้าหรือวัดป่าเลลยัยเป็นเวลานานถึง4ปีและปี2494ท่านได้เดินทางมาพำนักที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่โดยปฏิบัติธรรมกับเจ้าคุณวินัยโกศลหรือพระพุทธพจนวราภรณ์แล้วจึงออกจากวัดเจดีหลวงทื่ดลงไปตามเส้นทางสู่ อ, อําเภอดอยสะเก็ดอีกครั้งพร้อมรัดเลาะไปตามป่าเขาถึงดอยพระเจ้าหลายวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่28มกราคม2494 หลวงพ่อท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานณวัดดอยพระเจ้าลายเพื่อจะขอสละเพศบรรปะชิตจะขอลาสิกขาบทจา ก, การเป็นพระภิกษุสงฆ์โดยหันมาถือครองเพศดาบทที่มีเพียงผ้าอังสะและผ้าเสบงเพียงสองผืนหุ้มห่อร่างกายไว้จากนั้นจึงครองเพศเป็นดาบทและปฏิบัติธรรมอยู่บนดอยพระเจ้าลายโดยไม่ได้ฉันอาหารและน้ำถึง3วันสคืนจากนั้นจึงเดินทางลงมาจากดอยเพื่อธุดลงไปตามจังหวัดต่างๆทั้งแพร่ลำปาง น, าน่านยะลา และท้ายสุดปฏิบัติธรรมที่อาสมภัยมรกฏตําบลป่าอ้อดอนชัยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจนบรรดาภาพเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช534สิริอายุได้76ปีมีเรื่องเล่าถึงอดีตชาติและพินญาของหลวงพ่อดาบด อ, อยู่มากมายอดีตชาติชาติหนึ่งของท่านว่ากันว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์ของพาม่าที่เคยมารุกกับไทยครั้งกรุงศรีอยุธยาและเป็นผู้ชนช้างกับสมเด็จพระศรีสุริโยทย และฟันร่างของท่านจนสิ้นพระชนขาดสะพายแรงจนตกจากคอช้างศึกท่านเคยเล่าให้พวกลูกศิษย์ของท่านฟังถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของท่านใน แ, แต่ละภพแต่ละชาติที่ส่วนใหญ่จะมาเกิดในยุคสมัยที่ต้องช่วงชิงอํานาจกันแย่งกันไปมาบางชาติเกิดเป็นคนไทยไปฆ่าพามา่าบางชาติเกิดเป็นพม่ามาฆ่าคนไทยท่านจึงเบื่อหน่ายกับการเกิดและสอนลูกศิษย์เสมอว่าใครจะเคยเกิดมายิ่งใหญ่หรือเคยเกิดเป็นอะไรมาก็ตามจงอย่าไปยึดถือว่าตัวนั้นคือตัวตน จึงมีเรื่องเล่าถึงพระรูปหนึ่งจากวัดท่าสูงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งเคยไปกราบหลวงพ่อดาบดและได้ทราบซึ้งในคําสอนอันแยบยนต์ของท่านจึงได้นํากลับมาเล่าให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำฟังพระรูปนี้เรียกตัวเองว่าหลวงตาหลวงตาท่านเล่า ว, ว่าครั้งหนึ่งตอนบวชได้พรรษาสองหลวงตาได้เที่ยวไปพบพระดีอีกรูปหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายคือหลวงปู่ดาบดสุม โ, มโนแห่งสำนักไผ่มรกฏ ที่กล้าเรียกท่านบพระดีก็เพราะว่าท่านดีต่อหลวงตาและได้มอบความดีให้แก่หลวงตาประมาณไม่ได้และความดีนั้นมันเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อฤาษีดึงดับโดยตรงด้วยครั้งแรกที่ได้เข้าไปกราบหลวงปู่ดาบ ท, ท่านก็ทักถูกใจเราทันทีว่าอยู่กับหลวงพ่อฤาษีสอนมโนโมยิธิหรือหลวงตาต่อบว่ครับผมและท่านก็ถามต่อว่าอภิญญาสมาบัติคล่องดีแล้วใช่ไหมตอนนี้หลวงตาตกใจ เพราะเข้าใจว่าเรื่องอภิญญาสมาบัติเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่ตัวเองจะตอบได้ว่าทําได้คล่องหรือไม่คล่องอย่างไรจึงตอบท่านไปว่าไม่ใช่ครับผมยังไม่ได้อภิน ญ, ญาผมพยายามทําตามที่หลวงพ่อท่านสอนและแนะนําคนอื่นเท่าที่ผมจะนึกได้หลวงปู่ดาวด์จึงบอกว่านั่นแหละเขาเรียกว่าอภิญญาพระอรันทั้งหลายต่างก็ใช้อย่างนี้ใช้แบบวิธีเหมือนกันแต่ความบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันความมั่นใจไม่เท่ากัน ใจที่บริสุทธิ์มากมั่นคงมั่นใจมากก็ใช้ได้คล่องแคล่วชัดเจนมากบริสุทธิ์ถึงที่สุดมั่นคงมั่นใจไม่สงสัยก็ใช้ได้ถึงที่สุดเป็นเรื่องธรรมดาและหลวงปู่ดาบดก็มองหน้าหลวงตาพูดเสียงชัดเจนว่าออกจากวัดท่าสุงมาอยู่ด้วยกันไหมมาหาที่สงบซุ่มปฏิบัติธรรมให้สมใจสมบาสนาบารามีพอสบายจบกิจแล้วจะได้ตั้งสำนักใหม่สอนพระกรรมฐานให้มีชื่อลือลั่นไว้ชื่อครูบาอาจารย์ เรานี่แหละลูกศิษย์หลวงพ่อฤศีหลวงตาได้ฟังก็ตกใจเจ้าประคุณเอ๋ยความในใจที่อุตตริคิดฝังไว้ก้นบึ้งดวงใจไม่เคยเล่าสู่ใครไม่เคยถามไถ่แม้แต่หลวงพ่อฤศีคิดตอนเล้นไว้กว่า10ปีถึงสข้อบัตรนี้ได้ถูกหลวงปู่ดาบทไขออกมาไม่มีเหลือกำลังใจขณะนั้นได้ตอบท่านไปแล้วสองข้อแรกและรับรู้ในสองประการหลังไม่เอาครับหลวงปู่ผมจะไม่ไปไหนผมจะอยู่กับหลวงพ่อในวัท่าสูงตลอดไปหลวงตาบอก ท่านก็ยิ้มแล้วก็ยืนยันว่าดีแล้วถูกต้องแล้วอยู่ที่นั่นแหละไม่ต้องไปไหนเรื่องทุดงบางรูปก็ไม่ต้องทุดงหรอกการที่พระสงฆ์ท่านออกทุดงกันในที่ต่างๆก็คําสอนของครูบาอาจารย์ที่น้อมรับเอาไว้ใส่ใจแล้วก็ประคองใจอันนั้นไปหาต้นไม้หาถ้ำที่วิเวกับจิตใจเอาเป็นที่ว่าบําเพ็ญตามความเพียรพิจารณาธรรมอันนั้นจนได้มรดกได้ผลแล้วก็ต้องกลับไปอยู่กับผู้คนแทนคุณพระศาสนา แต่ที่วัดท่าสุงน่ะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งก็คือต้นหลวงพ่อหรือสีลิงดําร่มรื่นร่มเงาเย็นสบายผลไม้อริยผลก็ออกดอกเต็มต้นไปนั่งนอนเดินยืนใต้ต้นไม้นั้นอย่าจากไปไหนแล้วก็ประคองมือเอื้อมมือเด็ดผลไม้มากินให้หวานชื่นใจด้วยความเคารพก็จะบรรลุมรคผลได้ในชีวิตนี้ลูกหลานเอ๋ยหลวงตาต้องกล้าเล่าต่อบอกแล้วว่ามันยากที่จะเล่าให้ฟังตามตรง ที่หลวงปู่พูดถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระคุณเจ้ารูปนั้นเป็นอรหันต์องค์เอกองค์หนึ่งของโลกในปลายศาสนา 5,000 ปีจะหาใครสอนเสมอเหมือนพระคุณท่านไม่ได้แล้วพระคุณท่านรูปนั้นสอนได้คล้ายพระพุทธเจ้าสอนเพราะท่านปรารถนาโพธิญาณถ้าท่านไม่ลาพุทธภูมิหักใจเป็นพระอรหันต์สาวกเสก่อนท่านเทศคราวใดพวกเราที่บำเพ็ญบารมีตามท่านมาฟังเทศจากท่านเพียงครั้งเดียวก็จะเป็นพระอรหันต์ตามได้ จำไว้นะกลับไปฟังคําสอนของพระคุณท่านให้ส่งจิตติดตามเสียงของท่านประหนึ่งว่าเป็นเสียงในใจเราก็อาจจะบรรลุมรรคผลได้ตามที่ตัดสินใจตามเสียงนั้นเฉพาะหน้าเหมือนฟังจากพระพุทธเจ้านั่นแหละรูปนี้หาใครสอนได้เสมอเหมือนท่านยากหนักหนาแล้วและหลวงตาก็กลับมาวัดก่อนลาหลวงปู่กลับมาก็ถ่ายรูปร่วมกับท่านมาภาพหนึ่งกลับมาถึงก็เล่าให้พี่น้องบรนประชิตและคารวะฟังว่ามีหลวงปู่ดาบทแห่งสนักไผ่มรกรจงังหวัดเชียงราย ท่านพูดถึงพ่อเราอย่างนั้นอย่างนี้แล้วท่านก็งามนักหนาทั้งหน้าตามารยาทถ้าพ่อเราเป็นพระอาทิตย์เต็มทรงกรดหลวงปู่ดาบทก็งามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญที่ไม่มีเมฆหมอกมาบดบังแล้วก็เอารูปของท่านออกมาอวดไปทั่ววัดความนี้รู้ไปถึงหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านจึงพูดเ ล, ลอยๆออกมาว่าเออ20ปีแล้วสินะฝั่งลราคิดว่าคงจะเป็นเพื่อนของหลวงพ่อที่ไม่ได้พบกันมานาน20ปีกระมังพอตอนเย็นไปทําวัดเย็นและปฏิบัติกรรมฐาน หลวงพี่รูปหนึ่งเรียกหลวงตาเข้าไปหาและบอกว่าหลวงพ่อฤาษีให้บอกกับท่านว่าพระรูปนั้นได้อรหันต์มา20ปีแล้วนี่คือเรื่องที่เล่ากันมาเนิ่นนานถึงหลวงพ่อดาบทสุมโนพระดีที่น่ากราบไหวอีกรูปหนึ่งแม้ว่าท่านจะจากเราไปแล้วแต่ข้อปฏิบัติแนวคิดแฝงธรรมะที่ท่านฝากไว้ยังคงอยู่ในใจของบรรดาภิกษุสงฆ์และมวลหมู่าศาสนิกชนอีกนานเท่านานครับตำนานธรรมะศักดิ์สิทธิ์วันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ ได้อะไรกันไปบ้างก็ขอให้ได้กันเยอะๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ